มีหมาตัวหนึ่งนะเกิดมาก็พิการเลยคือขาหน้าสองห้างเนี่ยมันสั้นและแถมงอด้วยนะเรียกว่าใช้การอะไรไม่ได้เลยเพราะถ้าขาสั้นแต่ว่าไม่งอนี่มันก็พอจะเดินได้แต่นี่มันหักงอใช้การอะไรไม่ได้เลยเจ้าของเห็นก็เสียใจนะปกติเวลาหมา มีปัญหาขาหน้าสองข้างเนี่ยหรือขาหลังสองข้างเนี่ยใช้ไม่ได้เช่นถูกรถชนวิธีแก้คือว่าใช้วีลแช์นะใช้วีลแช์ล้อนะรถรถที่มีล้อเนี่ยแต่ว่าหมอที่รักษามหมาตัวนี้ก็บอกไม่แนะนำให้ใช้วีลแช์แล้วทำไงนะ หมอแนะนำว่าให้ฝึกหมาตัวนี้ให้รู้จักเดินด้วยขาหลังสองข้างโอ้หมาสี่ขานี่จะให้เดินเหมือนคนเนี่ยนะมันเป็นไปได้หรือแต่หมอก็ยืนยันว่าทำได้นะเจ้าของนี่ก็เชื่อนะตั้งแต่เล็กเลยเขาก็สอนให้หมาตัวนี้เนี่ยรู้จักเดินด้วยขาหลังสองข้าง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันต้องใช้อะไรต้องหลายอย่างเช่นการทุ่มเทต้องมีเวลาที่จะฝึกหมาตัวนี้ซึ่งมันก็สวนทางกับสัญชตาตญาณของหมานะหมามก็ต้องเดินสี่ขาดิจะให้เดินสองขาได้ยังไงจะเจ้าของเขามีความหวังนะล้าก็มีความเชื่อมั่นนะว่าหมาตัวนี้ชื่อนูปปีเนี่ยจะทำได้ ก็ทุ่มเทมากเลยนะตั้งแต่หม้ายังตวัวน้อยๆก็ไม่รู้นะว่าเขาสอนยังไงหรือฝึกยังไงนะแต่สุดท้ายเนี่ยนู ป, ปี้เนี่ยก็สามารถจะเดินได้ด้วยขาหลังสองข้างแล้วคล่องแคล่วเลยนะเวลาขึ้นบันไดเนี่ยนะไม่ยากเลยขึ้นเหมือนคนเลยเนะเหยียบขั้นบันไดด้วยขาทีละข้างทีละข้าง เดินไปไหนเนี่ยก็ไช้ขาสองข้างนี่แหละย่างไปนูปนี้ก็เดินใน้คลองแคล่วมามินาซ้ำก็กระโดดได้สูงเนี่นะเพราะว่าขาสองข้างนี้แข็งแรงเพราะว่าใช้งานเต็มที่ตนะั้งแต่เล็กนะก็น่าทึ่งนะมาที่เดินนะด้วยขาหลังสองข้างเนี่ยแล้วก็เดินได้นานด้วย เจ้าของนี่ก็พาไปเดินเล่นเป็นประจำทุกวันทุกเช้านูปี้ก็กลายเป็นหมาที่มีความสดชื่นแจ่มใสอารมณ์ดีไม่ต่างจากหมาทั่ ว, วไปมีสละที่จะเดินไปไหนมาไหนได้แม้ว่าจะพิการแต่เจ้าของนี่คิดว่าเขาคงไม่ได้มองว่านูปีเป็นหมาพิการนะเขาเพียงแต่มองว่า นู ป, ปี้เนี่ยเป็นหมาที่ขาไม่ปกติเท่านั้นแหละนอกจากการฝึกฝนอย่างทุ่มเทและการมีความเชื่อมั่นว่านู ป, ปี้เนี่ยจะเดินด้วยขาสองข้างได้เนี่ยจึงที่สำคัญนะคือความรักของเจ้าของเนี่ยเจ้าของจะทำนี้ได้มันต้องรักมากเลย และความรักที่ว่านี้ก็หลอมถึงการที่ไม่รังเกียจแม่รังเกียจที่หมาของตัวเองเนี่ยดูอับประลั์ในสายตาคนทั่วไปนะโอ้หมาขาสองข้างนี่มันใช้ไม่ได้นี่ก็เป็นหมาที่เรกว่าอับประลั์เลยล่ะหรื อ, อยังต่ำๆก็มองว่าเป็นหมาพิ ก, การเวลามองว่าเป็นหมาพิ ก, การก็จะเกิดความสมเพศเวทนาแต่ว่าเจ้าของนี่ คงไม่มีความรู้สึกแบบนี้ไม่รู้สึกรังเกียจหมาของตัวเลยพาไปไหนไม่รู้สึกอายเพราะอะไรเพราะมีความรักพอมีความรักแล้วเนี่ยยอมรับทุกอย่างของหมาตัวนี้พาไปไหนก็ไม่อายใครจะมองว่าหมาตัวนี้มันพิการยังไงแต่ฉันไม่ได้มองเป็นหมาทิการฉันรักของฉันแล้วฉันก็ดูแล และฉันก็เชื่อมั่นนะหมางฉันนี่เขาจะฝึกได้จนสามารถเดินด้วยขาทั้งสองข้างไอ้ความรักนี่มันทําให้นุ๊ปปี้เนี่ยแม้จะมีกายบกพร่องนะแต่ว่าใจนี่ไม่พร่องนะใจนี่เต็มนะพอใจเต็มอิ่มด้วยความรักแล้วเนี่ยมันก็มีกำลังนะแม้จะต้องกระเสือกกระสนในการใช้ขาสองข้าง ซึ่งมันไม่ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาแบบนั้นแต่ว่าก็ดิ้นลนอดทนนะเพราะเจ้าของให้กำลังใจจนกลายเป็นหมาที่มีสุขภาพจิตดีนะไปไหนมาไหนก็ด้วยขาสองข้างให้สายตาของคนเลี้ยงนี่สำคัญนะหรือสายตาของพ่อแม่ถ้ามองว่า ลูกของตัวหรือหมาของตัวเนี่ยมันไม่ใช่พิการไม่อัพอรักษณ์แต่เพียงแต่ไม่เหมือนหมาทั่วไปมันก็ช่วยทําให้หมาเองก็ดีหรือแม้แต่คนเองก็ดีเนี่ยเขารู้สึกไม่ไม่รู้สึกด้อยกับตัวเองมันมีเด็กคนหนึ่งนะเกิดมาเนี่ยพิการนไม่มีแขนไม่มีขาเลยนะ แต่เด็กคนนี้พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเด็กเป็นกลายเป็นเด็กที่มีความสุขพ อ, พอโตกลายเป็นผู้ใหญ่นะก็ยังมีความสุขนะแกเขียนหนังสือเรื่องนึงชื่อไม่ครบห้านะไม่ครบ5้าคือว่าถ้าครบ5้าคือมีหัวมีแขนสองข้างมีขาสองข้างแต่โอโตทกทแกนี่มีแต่หัวนะแขนไม่มีขาไม่มีจริงๆก็มีปุ่มยื่นออกมา ตรงต้นขาไอ้ต้นแขนนะและไม่น่าเชื่อนะเขาสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ตักข้าวเองกินอาหารเองใส่เสื้อผ้าเองได้แถมเล่นบาสเกตบอลก็ได้ด้วยอันนี้เนี่ยต้องต้องยกให้เป็นความสามารถของพ่อแม่นะเมื่อลูกเกิดมาแล้วนี่ไม่รู้สึกอับอายไม่รู้สึกหมดหวังกับลูก เชื่อว่าลูกเนี่ยนะฝึกได้นะแทนที่จะให้ลูกเนี่ยต้องพึ่งพาคนอื่นก็สอนให้ลูกพึ่งพาตัวเองแม้จะยากเนี่จริงอยู่นะโอโตตะเกะเนี่ยต้องเวลาไปไหนก็ใช้รถนะรถไฟฟ้าแต่นั่นสำหรับการเดินเหินการเดินทางแต่ว่าในเรื่องการใช้ยิตประจำวันนี้เขาช่วยตัวเองได้หมดเลย แล้วเขาเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งนะเขาบอกเนี่ยผมเกิดมาพิการแต่มีความสุขและสนุกทุกวั น, นเขาบอกตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองพิการเลยเพอพ่อแม่เลี้ยงเหมือนคนปกติให้ช่วยตัวเองทุกอย่างจะทำนี้ได้นี่พ่อแม่ตมีความรักนะอย่างน้อยก็ไม่รังเกียจลูกว่าลูกนี้เป็นคนที่ทําให้พ่อแม่อับอายพรอมจะพาลูกไปไหน ก็ได้แต่ท่านแม่พ่อต้องมีความรักด้วยมองเห็นว่าลูกเนี่ยนะเป็นคนมีความสามารถและพอพอ่อแม่มองแบบนั้นลูกก็จะซึมซับรับเอาความสื่อแบบนั้นเข้าไปไม่รู้สึกด้อยนะรู้สึกว่าตัวเองเต็มนะมาลุ้มาล้วนตัวเองพิการก็ตอนเข้าเรียนมัธยมเนี่ยเพราะว่าใครๆก็อมองว่าบอกว่าว เ, เธอพิการ แต่ถึงตอนนั้นนี่เขาไม่มีปัญหากับร่างกายตัวเองแล้วเราก็มีความสุขอันนี้คล้ายๆกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะ mm. เด็กไต้หวันนะหวังเหมยเหลียน mm. เกิดมาก็มีปัญหาที่การทางสมองพูดไม่ได้เดินไม่ได้นะแต่ว่าเป็นเด็กที่มีความสุขจนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกเธอบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยไม่มองสิ่งที่มี เห็นแต่สิ่งที่มีนะสิ่งที่ไม่มีฉันไม่มองไม่สนใจฉันสนใจในสิ่งที่ฉันมีให้การมองแบบนี้มันทําให้เธอเนี่ยไม่มีความสุขด้วยคนเราเนี่ยมักจะมองเห็นแต่สิ่งที่เองไม่มีเพื่อนเขามีแต่เราไม่มีแต่ไม่ได้มองว่าหลายอย่างเรามีแต่เพื่อนไม่มีหรือหลายอย่างเรามีมากกว่าเพื่อนด้วยไม่ค่อยมองแบบนี้แต่วังเหมือยเลยนี่เขามองแบบนี้ไอ้ที่ไม่มีฉันไม่มอง หรือฉันไม่เห็นฉันเห็นแต่สิ่งที่ฉันมีแล้วเกิดความภาคภูมิใจนะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จทั้งการเรียนและการทําอาชีพการงานอันนี้แหลกว่าพร่องแต่กายนะแต่ว่าใจนี้เต็มนะเพราะว่าได้รับความรักจากพ่อแม่ตั้งแต่เล็กได้รับความเชื่อมั่นและที่สําคัญคือว่ารู้จักมองเด้อนะว่าฉันมีสิ่งดีๆมากมาย ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายหรือรู้สึกด้อยเลยอันนี้แหละที่ทำให้คนเราเนี่ยสามารถจะอยู่กับความไม่สมบูรณ์ได้